าจารย์ไพศาลครูบาจารย์เพื่อนสาธ ร, รมนิคเจริญพรยังแม่ช <c oughs> ีระญาติธรรมทุกท่านฟังธรรมกันตามสบายตอนนี้ก็สารพุ่มแล้วพวกญาติโยมก็ไม่เคยอยู่ดึกอย่างนี้มาก่อนอัดมาก็จะพูดธรรมะสบายๆให้โยมฟังเพือไม่ให้ง่วงอาจจะลดเรดลงหน่อยคืออาจจะดิธาละสองเรื่องแล้วก็ข้อคิด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 แต่ก็รู้ว่าอยากสงสัยด้วยว่าทำไมต้อ ง, งต้องยุบงจึงเชิญให้มาแสดงต่อหน้าพระที่นั่งนักดนตรีก็กาดทูลว่าข้าพระองค์ยินดีจะแสดงแต่ขอให้พระองค์ช่วยตัดสินด้วยว่าดนตรีคณะนี้ใครเก่งที่สุดและควรจะได้รับเงินรางวัลตอบแทนมากที่สุดพระราชาเมื่อทราบจุดประสงค์ของนักดนตรีก็ทรงตัดตอบว่า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 มีความไผ่ล้อพอพิงน้องตีแต่ละคนก็เล่นด้วยความสุขมีความสุขสนานเหมือนครั้งในอดีตคันแสดง จ, จบพระราชาก็ทรงยินดีมากก็ให้รางวัลด้วยฟาร์มพอพรทัทัยแล้วได้รับเสียงตอบมือจากชาววังเป็นอันมากแล้วพระราชาก็ถามว่าพวกเจ้าอยากรู้ไหมว่าใครเก่งที่สุดน้องตีทั้งหมดก็บอกหน้าการบอกตอนนี้ข้าพระ อ, องค์ไม่อยากรู้แล้วว่าใครเก่งกว่า เพราะไม่มีใครเก่งกว่าทุกคนต้องสามักคีกันถึงจะมีความสุขแล้วไปด้วยกันรอดนิทานเรื่องนี้ก็จบเพราะความสามพักคีเนี่ยไม่อิจฉาทิ่เสียอาการแบ่งปันความดีให้กันและกันเนี่ยนําพาคือความสุขงานที่ยากก็กลายเป็นงานที่ง่ายอย่างวัดป่าสุขโตวัดป่ามหาวันวัดถุขทองเนี่ยสามวัดวัดพี่วัดน้องเราร่วมมือกันเวลาทํางานใหญ่ทุกครั้งเนี่ย รุ้ร่วงทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจัดงานร่างสังของหลวงพ่อซึ่งเป็นงานใหญ่มากเลยมีคนมาร่วมเป็นหมื่นหรืองานต่างๆว่าเราก็จัดได้สบายเพราะว่าว่าเรามีบุคลากรมากมายมีฝาแฝงสามารถแตกต่างกันแต่เราสามารถใช้ความแตกต่างเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไทยวัดจะเลยรุ่งเรืองแต่ต้องไม่อิจฉาริษยากัน เพราะถ้าอิจฉาลิษยาการจะเป็นแบบนิทานเรื่องต่อไปนิทานเรื่องที่สองอะไรไปเหตุวัดล้างมีวัดป่าแห่งหนึ่งวัด น, นี้ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตเคยมีนักปฏิบัติธรรมมางที่หลายร้อยคนมีโรงครัวสามารถรองรับนักปฏิบัติธรรมได้มากมายมีครูบาอาจารย์มีคนมาถือศีลอีกคนมาปฏิบัติธรรม ไม่ได้ขาดเมื่อเจริญคนแดนใกล้แดนไกลแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นวัดล้างเสร็จแล้วพระพุทธรูปเต็มไปด้วยใหญ่ยังมุมเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยที่อยู่ของสัตว์ตุกแกขังคาวปวกสัตว์ต่างๆได้ขัามลสัยอยู่วัดจะพืชได้ปกคลุมไปทั่วมองไปทางไหนได้แต่หดหู่เศร้าใจขณะนั้น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 เรียลัยเรียลายให้ยมทําบุญแล้วก็อีกหลายอย่างสัตว์คือสร้งางศรัทธาให้ญาติโยมแหละมาวัดองค์นี้เก่งมากพระรูปที่สามเป็นทกักกรรมฐานสอนการเจริญสิสร้างความรู้สึกตัวพระสามรูปนี้ไม่รู้มีรูปใดทักขึ้นมาว่าอะไรไปเหววันล้างพระที่เป็นช่างก็ตอบว่า พ, พาอพระในว่าขี้เกียจทรัพย์สินในวัดจึงไม่พอคูณพระนักเทศ ก็ตอบว่าพระในวัดไม่ยอมศึกษาความรู้ไม่ยอมศึกษาพระธรรมวินยัยไม่ยอมผลกวายส่วนพระกรรมฐานก็บอกว่าพระในวัดไม่สำรวมเพราะไม่ไม่มีการเจริญสติไม่มีการปฏิบัติธรรมจึงทําตามกิเลสญาตยอมดีหมดศรัทธาจึงไปเหววัดล้างทั้งสามคนที่สามเห็นไม่ตรงกันคือได้เถียงกันอ่ะว่าความเห็นของตนเนี่ยถูก เมื่อตกเราก็ไม่ได้ไปยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราสามรูปเนี่ยจะลองอยู่ดูแล้วจะใช้ความสามารถเนี่ยมาพัฒนาวัดจะลองดูว่าใครจะดประสบความสำเร็จที่สุดพระช่างก็เริ่มซ่อมแซมกุติซ่อมแมซ ม, แสมสาราหน้าซ่อมแซมโรงครั ว, วก็ทําให้น้ําไหลไฟสว่างทาสีใหม่คือทําให้วัดเนี่ยหน้าอยู่ยิ่งขึ้นให้ดูเป็นเหมือนไม่ไ ม, ไม่ล้างแล้วตอนนี้ พระรูปิีสองที่เป็นนักเทศก็เริ่มเรียร้ายบอกบุญเริ่มชักชวนให้โยมมาถือศีลฟังธรรมพระลูปิสามก็เริ่มสอนกรรมาฐานโยมให้โยมมายกมือสร้างความสุขตัวทั้งสามก็เริ่มทําตามฝความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้ผลญาติโยมจากแดนใกล้และไกลก็เริ่มทยอยกันมาวัดยิ่งขึ้น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 เพราะฉันต่าหากที่ทําให้วัดมีคนเข้ามากมายอันนี้เสียงพูดจักสักพระสามลูกนะครเพราะต่างคนต่างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําให้โยมเข้ามาวัดทำให้วัดเจริญยิ่งขึ้นไม่มีใครยอมกันต่างคนก็ว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าได้แ ล, แล้วในที่สุดญาติโยมมาวัดก็เริ่มเอือมละอารพระสามูปนี้พอทะเลาะกันอยู่เประจำศรัทธาเริ่มตกตอนนี้คนก็เริ่ม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 อาจารย์ได้ชายท่านพูดเกินหัวไว้อัตมาก็นํามาเล่าเปที่ถ่ายญาติโยมฟังอัตมาเห็นมาหลายวัดแล้วที่เป็นแบบนี้นะเห็นกับตาตัวเองตั้งแต่สวนโมกสวนโมกเนี่ยไม่ล้างนะแต่ว่าอาศัยบา ร, รมีหลวงพ่อพุทธทาสัดตอนหลังเนี่ยมาตกถืออาจารย์โพงแล้วก็ตกถืออาจารดสุชาติก็ค่อยเราค่อยเห็นความเสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็วัดท่าบใหปิก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 เพราะว่าก็ทำให้อยู่กันยากแล้วมันมีหลายเรื่องภาคส่วนมากบางทีก็แก่งแย่งชีดีคิงเด่นกันแย่งผลงานกันพอทำไปทำมาเนี่ยก็ทำให้อยู่กันยากคนที่มีฟวามสามารถก็แยกย้ายอยู่ที่อ ก, กันหมดเ<ๆ>หลือแต่คนที่ไล้ความสามารถอยู่เฝ้าวัดต่อไปอันนี้เห็นมาหลายวัดแล้วอันวัดที่จะไปเสื่อมได้จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ด้วยกัน แล้วมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวพอถ้าเห็นประโยชน์ส่วนตัวปุ๊บเนี่ยมันทําทําทํางานยากมันจะเอาตัวมันจะ ต, ตัวเองอะได้ผลประโยชน์หรือเปล่าคือจะเห็นประโยชน์ตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าเราทําเพื่อเป็นบุญกุศลไม่เห็นกับตัวเนี่ยทําเพื่อผู้อื่นอันนี้ต้องคิดเหมือนกันหมดนะถ้าคิดอยู่คนของคนอีกคนค่าเพื่อผลประโยชน์ทําเพื่อเงินเข้ขากระเป๋าเนี่ยยากอีกหน่อยว่าก็เจ๊งเพราะแต่ละคนผลประโยชน์ไม่เหมือนกันแล้วเราไม่อิจฉาซึ่งกันและกัน บางคนจะดังก็อันนี้ถือเป็นบุญบารมีของท่านบางทีเราอาจจะไม่ดังเราก็พอใจถึงเราเป็นอยู่ใช้ชีวิตแบบพระนักน้อยสมรถะใช้ตามมีตามได้ถ้าคิดคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีความสุขเราก็ไม่เปรียบเทียบวิจฉาใครมีลาศกล้ามากใครมีลาสักล้าน้อยใครจะดังใครไม่ดังเราก็ทําตามหน้าที่อยู่ของเราเราไม่แกลงแย่งชิงดิชิงเหรียการถ้าพระที่อย่างที่บทเนีย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 ให้ฉาดขึ้นกันแล้วกนันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอญาติธรมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปที่สิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปรารถนาขอให้บรรลุธรรมในชาตินี้หรือไม่ก็ชาติหน้าด้วยการทุกท่านทุกคนเทิน